นัองภาวนากันตั้งใจภาวนาภาวนาคือคิดเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมันชวนคิดเรื่องอื่นดึงกลับมาอยู่กับเรื่องเดียวกับเรื่องเดิมเรื่องเก่าใช้ความรู้สึกตัว ัวพร้อมเป็นเรื่องของสติของสัมผชัญญาคับให้มันรู้ตัวตลอดทุกระยะไม่ให้มันขาดช่วงคิดอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาจนติดปากเอาจนติดใจ เราจนจิตมันไม่คิดเรื่องอื่นอยู่แต่กับเรื่องเดียวคิดแต่เรื่องเดียวในขณะที่จิตไม่อยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยกิเลสตัณหามันก็มาแทรกจิตไม่ได้มีอา น, นิสงส์พลังสิ่งที่เป็นฝ่ายต่ํามันมาแทรกจิตเราไม่ได้เพราะเราใช้สติจ่อทําความรู้อยู่กับเรื่องเดียวทาชักชัก เต็มร้อยถ้ามันจางๆเจ็ดสิเอร์นปดสิบเปอร์เ็นนี่ยมันดึงไปอย่างนึงแล้วท่านอยู่กับเรื่องเดียวท่านรู้สึกชัดชัดเจนที่สุดูุดโธ่คุโธ่คุโธกกำกับด้วยลมหายใจด้วยก็ได้ลมหายใจเข้าพุทและหายใจออกโร ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องกำหนดว่าเร็วว่าช้าว่าเลิกเมื่อไหร่กำหนดให้เห็นเหมือนปาช้าเก้าอย่างข้อกำหนดด้วยปาช้าเก้าอย่าง ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกายอ่านง่ายบ่อ่านท่านบ่พออ่านอยู่ตีอ่านเห็นอยู่บ่ครูเถ้าฮะบ่บมีมีไฟมึงหาน่ะอ่านเห็นบ่เห็นอยู่ตีตาดีปะนั้นฮะมาตู่ือเก่งแท้อือ ป่ายช้าทั้งเก้าที่ท่านเอามาว่าให้เราดูเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างท่งานก็สรุปมาโสอิมเมีวะกายยังอุปสังหารติ นี่ยังติโคอกายโยสรอยมะเมวะกายังอุปสังหรารตินี่ยังติโคอกายโยวิวังธรรมโมวิวังภาวีวิวังอนัตติโตบทที่ท่านให้พิจารณาป่ายชาทั้งเก้าอย่างเนี่ยนะ ท่านก็มาสรุปเหมือนกันหมดให้เราดูแล้วก็เราปลุงแล้วเราปล่อยอปล่อยไอยัมปีโคกายโยเอวังธรรมโอเอวังพาวีเอวังอะนติโต กายเรามีอย่างนี้เป็นธรรมดากายนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมด า, ามีอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ พิจารณาเหนเ็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ปล่อยการพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาปลงปล่อยที่ถ้าให้ไปดูปา่าช้าเนี่ยให้ไปดูแล้วก็เทียบมาที่กายเรากายข้างนอกที่เราเห็นนอนตายอ้าปากนอนขึ้นอืดขึ้นพองนอนเจาะยัวเ ย, ยะสัตว์ทั้งหลายรุมกัดทึ่งกันมา กระดูกปุ่งังไปเดือ่หมดเนื้อหมดหนังหมดเนื้อเหดือแตดเอน็นมัดกระดูกแต่ละข้อแต่ละข้อทั้งเก้าอย่างอันนะ่เะเวลานั้นถ้าก็มาสุปกยมปีโคกายโยเอยวังธรงมรมโมเอวังพาวีเอวังอนัตีโต้กายข้างนอกที่เราเห็นยังไงกายข้างในคือกายของเราก็จะเหมือนกัน ไม่พ้นไม่นความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็เป็นการปลงปล่อยดูเลยเป็นเรื่องธรรมดาไปดูให้มันเลยเลยน่าเกลียดน่ากลัวเลยจากความน่าเสอิดสะเอียนเลยไปเป็นเรื่องธรรมดามีอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาปลงปล่อยในเมื่อเราปลงเราปล่อยนี้หมายความว่า เราทำใจของเราให้รู้เท่าเท่าที่มันเป็นมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่เลยนั้นไปได้สมมติเราตายเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบสมัยตะก่อนป่าช้าที่เขาไม่เผาไม่ฝังไม่เผาไม่ฝังไปทิ้งไว้สัตว์มากินมาเทิร์นกินทั้งแรงทั้งกาทั้งนกตะกมุมทั้งอะไรต่างๆ ไ, ไปรุมทั้งหมา นยามหมาจิงจอกทั้งหมาบ้านหมาจอกม้าอะไรอะไรสัตว์อะไรก็ตามแต่แหละไปรวมกิกงรวมทึ้งกันยนโอ้โหแล้วนอนเนี่ยจะไปทันก็นเลยนอนฮะนอนจะทันเขาบ้างล่ะแต่นอนเนี่ยมันลงมือก่อนแล้วใช่ไหมนอนนอนมันลงมือก่อนแล้วเอาจนขนเป็นเป็นนิ้วเป็นนิ้วหรมั่งขอนนอนเนี่ย อะไรมันจะอุบาทกลิ่นอุบาทเท่ากับกลิ่นมนุษย์ไม่มีแล้วปราชาีพีดิบนั่นะ่ะความปฏิกูลความโชโครกความนาศอิะเอียนถา ด, ดินท่าน้ำถ่านลมทาดไฟใส่เจ้ของดีๆเข้าไปให้ท่านั้นแหละนะไปก็ไปเจริญเ ป, นน เ, ปนนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูก เป็นอะไรมาเป็นก้อนเป็นแท่งจริญขึ้นเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงเต็มที่แล้วก็หมดลมหายใจนอนอ้าปากเมงวันก็เจาะเข้าไปในปากและเจาะทวารหนักเจาะทวารเบาเจาะตรงไหนมันเจาะง่ายๆมันก็เจาะซะก่อนแหละเมงวันมีทั้งประเภทไปวางไข่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมีทั้งประเภทปล่อย ปุ๊บยุบยบยุบยับทันทีเลยแมงวันเคยเห็นไหมแมงวันมันเต้นด็อกแดกด็อกแดกอยู่ในท้องมันน่ะมันก็ปล่อยปัดปัดปัดปัดวิ่งใส่เลยปล่อยปัดปดปดปดวิ่งใส่เลยจอบโยเยยเยทังชรอนทั้งใายทั้งกินทั้งรุมกินทั้งถึงอะไรอยู่นั่นแหละปากมันเนี่มันเข็มเลยปากมันแทงยื๊๊กยื๊๊กย๊ก ว่าในจมลงไปเหลือแต่ก้อนยุ บ, บยั บ, บยุ บ, บยับยุบยับยุบยับเป็นขุมเป็นขุมเป็นขุมเป็นขุมนอนจาะเปื่อยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลความปฏิกูลความโสโครกของกายมนุษย์ของร่างกายมนุษย์ดูให้เห็นสลบให้สลดให้สังเวชถ้าให้พิจรารณาเห็นป่าช้าทั้งเก้านี่ก็คือ เทียบมาที่ตัวเรามีอย่างนี้เป็นธรรมดานะไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่ว่ากายเรากายเขากายใครไม่ว่าสัตว์มนุษย์ไม่ว่าสัตว์สัตว์เหมือนกันหมดคนเชื่อว่ามีเนื้อมีหนังมีกระดูก เปือยเน่าผุพังไปไอ้ที่ไม่ใช่สัตว์เราก็เคยเห็นไหมพวกเห็ดพวกอะไรเวลามันมันเปื่อยมันผุมันเน่ามันอะไรมันก็เปื่อยมันก็ยุ่ยมันก็มีกลิ่นมัอนกันอะไรแต่สู้กลิ่นมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะมนุษย์ใส่เด็กของดีๆมาโอ้โววิตามินทั้งนั้นเลยเกลือแร่โปรตีนไขมันมนุษย์ใส่ให้เต็ดีๆ เจริญเติบโตขึ้นมาใส่แต่อาหารดีๆให้ทั้งนั้นเอง ท, งทังคราบเสื่อมลมอยู่ไม่ได้นะลมดับเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำก็พยายามจะแยกกันแหละธาตุดินก็พยายามแยกไปเป็นดินไปเปื่อยเข้าไปเน่าเข้าไปย่อยสลายเข้าไปน้ำก็เหือดไปแห้งไป เรือดแข็งกระดกูกระดูแข็งแข็งเส้นเอ็นมัดรัดตึงอยู่ร่วงไปท่านันวันทน่านันวันเส้นเอ็นขาดพวกเลือดพวกเนื้อพวกอะไรถูกแวงกาหมากัดทึ่งกินจนหมดเลือดกระดูเลือดเส้นเอ็นมีเลือดติดบ้างมีมีเลือดติดบ้า ง, มมางหมดเลือดบ้างเส้นเอ็นหลุดขาดร่วงไปบ้าง ามันคืนร่วงไปร่วงไปล่วงไปล่วงไปกระดูกเรานั้นก็เริ่มผุเริ่มเป parole, ื่อยเริ่มพังเป็นผุยเป็นผงเป็น tam, ผงเหมือนแป้งนะเป็นจ kind of ุนเป็นวิจุนเป็นจุนวิจุนไปกลายไปเป็นหินกลายไปเป็นน้ากลายไปเป็นลมกลายปเป็นไฟเป็นผ้านอน จำอยู่ในโลกธาตดังเดิมของโลกมูลเดิมมูลเดิมของโลกถ้าหลังนี้เป็นมูลเดิมของโลกรูปกายของเรารูปรู ป, ประธรรมของเรานามธรรมก็คือจิตใจจิตใจไม่ได้ตายจิตใจไม่ได้ตายจิตใจก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตก็คือใจ จิตภาษาบาลีใจภาษาไทยจิตใจวิญญาณเรียกอีกอย่างหนึ่งวิญญาณวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้คือใจมนะอายตนะทางก็เรียกมณะมนะมณะมายตนะอายตนะเครื่องต่อคือใจมณายตนะ ถ้าเรียกไปตามหน้าที่ของมันแท้ที่จริงก็คือตัวเดียวนั่นแหละตัวธาตุรู้ตัวเดียวธาตุรู้รู้ตัวเดียว้า ร, รวยวารู้ตัวนี้พอได้เข้ามาได้เข้ามาแล้วเป็นธาตุรู้ไม่บริสุทธิ์อวิชชาปนเปื้อนมาด้วยกิลเลสปนเปื้อนมาด้วย ยินดีเพลินใจกับรูปนามธรรมไปแสวงหารูปธรรมเดนามธรรมไปแสวงหารูปธรรมพวกเราเมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยอาการห้าปัญจโวการเนี่ยมีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมนั้นมันก็ต้องเหมาะสม สรับนำทำไปอยู่แล้วก็ใช้สอยประโยชน์ได้หเ mm hmm. จาะมีรูตามีรูหูหมมีตามีหูมีรูจมูกสหรับหายใจตาหูจมูกมีลิ้นใส่อาหารเข้าไปรสอะไรรสอะไรรสอะไ ร, ร, ะไรมีกายกายสัมผัสกายในที่นี้หมายถึงความสัมผัสเช่นประสาทที่อยู่ที่ผิวกาย ในในอายตนะหกนะนะกายตัวนี้มันไม่ใช่กายทั้งดุนทั้งแท่งมันเป็นเส้นประสาทของกายกายสัมผัสสาหรับสัมผัสเหมือนอย่างเรามาสัมผัสที่ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสตรงไหนเราก็รู้สึกตัวหมดสัมผัสตั้งแต่เท้าสัมผัสที่ปลายผมมดไตตัวเดียวเราก็รู้มันสัมผัสตรงไหนมี่เขาเรียกว่าประสาทกายกายสัมผัสนใจออกมาทางกายสัมผัส แล้วก็ใจมารับรู้ทางใจใจรับรู้ด้วยใจใจรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายแล้วก็ใจใจรับรู้ยังไงรับรู้ทางใจอ๋อมันรับรู้ทางธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันเป็นธรรมอารมณ์เช่นอย่างเรับตาเราไมงเห็นรูปรูป พ่อรูปแม่รูปคนนู้นรูปคนนี้เราเราหลับตาทำไมเราเห็นเขาเรียกรูปปัะสัญญารูปปัะสัญญามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมันเกิดที่ใจเขาเรียกธรรมารมธรรมอารมใจมันรับรู้ธรรมอารมเ evet. ข, ขาเรียกว่าธรรมอารมทั้งหกช่องนี้แหลสะสหรับใจมันออกไปหากินออกไปหากินทางตา ได้ความยินดีมาได้ความยินร้ายมามันเกิดมากี่กับกี่กันกี่ปุเรชาตแล้วเราไม่รู้จักดอกมันสะสมมาของมันไม่รู้จักดอกพอมันมาตื่นหูตื่นตาตื่นใจจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นนู้นเห็นนี้สัมผัสนู้นสัมผัส น, น, น, นีได้กลิ่นนู้นได้กลิ่นนี้ได้รับรสนู้นได้รับรสนี้ได้สัมผัส น้อมนึกมันสารพัดนึกจริงๆหัวใจของเราเนี่ยพอมันสร้างขึ้นมาแล้วทําให้เกิดครบวงจรแต่อย่าลืมว่าวงจรทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นวงจรแล้วก็เป็นระบบเกิดมาเพื่อที่จะรองรับตัณหาซึ่งจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของมันอไม่งั้นมันก็ขาดพันธุ์อมนุษย์มันก็ขาดพันธุ์ ด้วยเหตุอย่างนี้มนุษย์ถึงไม่ขาดพันธุ์มนุษย์ถึงไม่สูญพันต้นไม้จึงไม่สูญพันต้นไม้เวลาต้นมันโตไปแล้วมีดอกมีหมามีผลสุกตกลงมามีเมล็ดเพื่อที่จะไปเจริญไปงอกอีกเพื่อที่จะขยายพันธุมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตัณหาอยู่ข้างในสลับมาเจริญพันุอืมตัณหามันเจริญพันธุ์ของมัน ยินดีเป็นเรื่องของตัณหายินร้ายเป็นเรื่องของตัณหาความโลภความโกรธความรุ่มหลงสารพัดอวิชาตันหามันเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสฝ่ายต่ํามันเป็นพลังที่เป็นฝ่ายต่ําเคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราทําให้เราเพลินไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสก็สแสวงหาด้วยอํานาจของความอยาก ดิ้นรนแสวงหามันก็ทุกพอพอละพอแล้วเกี่ยวกับเรื่องดิ้นรนแสวงหาได้มาอีกก็มากระมาเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังอีกผิดหวังอีกได้บ้างไม่ได้บ้างผิดหวังอีกกระเคนให้เป็นไปตามใจหวงัหวงไม่เป็นอีกผิดหวังอีกมันก็มีแต่เรื่องทุกข์มันได้รูปก็ดูสิได้รูปมันทุกข์ขนาดไหนตรงที่ ร่างกายเราเจ็บใข้ได้ป่วยปวดอนแอะแอะทุกเกี่ยวนจะตายเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นมะเร็งเป็นตับเป็นปอดสารพัดแล้วมันจะเปลี่ยนทุกไหมล่ะไม่ใช่ทุกคนเดียวดิพ่อก็ทุกแม่ก็ทุกถ้าถ้าลูกเป็นถ้าพ่อเป็นน่ะแม่ก็ทุกเมียก็ทุกลูกก็ทุกหลานเหลนทุกไปตามๆกันตัวความทุกเหล่านี้แค่ไอแค่เราได้รูปนั้นเองเพราะรูปมันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราต้องการให้มันเที่ยงเราต้องการให้มันมีความสุขมันสุขที่ไหนมันรังโลคเดี๋ยวนั่นแสกเข้ามาเดี๋ยวนี่แสกเข้ามามันไม่สมใจมันไม่สมหวังมันไม่เต็มเป็นไปตามที่ใจกะใจเกลียนกระทุบตอนนี้พิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษถ้าไม่เห็นโทษเราก็จะออกจากมันไม่ได้ ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นโทษต้องเห็นโทษถึงจะเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษต้องเห็นโทษถึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์ถึงจะออกจากทุกข์ได้ไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ออกไม่ได้มันยึดติดเกาะอยู่นั่นแหละออกไม่ได้มันเพลินไปกับความสุข ดูสิแค่กรรมาสุกกามาสุขพวกเราก็ติดกันเท่าไหร่แล้วแค่กรรมาสุขบริโภคใช้สอยสิ่งของต่างทั้งหลายทั้งปวงแซบกับอันนั้นอร่อยกับอันนี้ยิ่งไอ ย, ยอดของกรรมด้วยแล้วเนี่ยนะติดพันกันอยู่นี่แหละกามาโลกรูปโลกอารมณ์โลกมันไปจากตัวเดียวนี่แหละกรรมมาโลกรูปโลกอารมณ์โลกไนจากตัวเดียวนี่ ทำให้เรามีโลกติดค้างอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกออกจากโลกไม่ได้ตัวเดียวนี่แหละมันพาเราหมกอยู่ในโลกปัญญาไม่แก่กล้าจริงๆออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะรสชาติของมันเนี่ยถ้าไม่มีคุณสมบัติของใจของธรรม ที่ละเอียดเพียงพออไม่มีรสชาติเนื้อมันเนี่ยปล่อยมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละมันมัดคนอยู่ในโลกตายแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดมาอีกตายแล้วไม่เกิดอีกพระอนาคามีไม่มาโลกมนุษย์อีกกามาโลกไม่มาอีกแล้วพระอนาคามีไม่มากามาโลกไม่มา เกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับหนังอ่ะไม่มาแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายไม่มาอแล้วเหลือแต่ผู้รู้ทํางานหมุนทําลายความหลงของตัวเองอยู่บนนู่นนอะเอาพิหาตปาป า, าสุทัสสาสุทัสสีอากาิิฐาอะครับหลุดร่วงเหมือนกับผลไม้ที่มันหมดหมดความเหนียวหมดยางเหนียวที่ข่วมันหลุดต๊อกา อาการิถาอากาิถานูหลดตบเหมือนผลไม้ที่มันสุกงอมไงมีคนเขยา่าหรือไม่มีคนเขยา่าไม่ยังเป็นต้องมีใครเขยา่ามีลมก็ตามไม่มีลมก็ตามพอความเหนียวในขั้วมันมันหมดเหือดแห้งหายหมดหล่นตบปารินิพาน หล่นตกปรินิพานเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนโลกไหนไม่ได้สำคัญมั่นหมายอายุเท่านั้นปีท่นี้ปีไม่มีสำคัญมั่นหมายไม่มีกดไม่มีกะไม่มีเกณฑ์อยู่อย่างนั้นเป็นอนันตการตลอดไปไม่มีกลับกลายเป็นอื่น ถ้าเป็นเรื่องของสังขารมีการกลับกลายอันนี้มันไม่ใช่สังขารแล้วเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดไม่เป็นสังขารเราข้างตัวเราเราเห็นอะไรบ้างที่ไม่เป็นสังขารไม่มีไม่มีสักชิ้นไม่มีสักอันเรามาดูลำเทียน น, ยนี่นี่โอ้นี่แห่งกองสังขารบักใหญ่ลำเทียนเนี่ยที่พึ่งอะไรบ้างก็ไม่รู้มีทั้งไส้มีทั้งอะไร น้ำมันอะไรก็ไม่รู้ผสมปนเปนกันมีอะไรบ้างที่ไม่มีไม่ใช่ของทังขาดไม่ใช่ของปรุงแต่งน้ำในขวด น, นั่นโอ้อะไรทาดเต็มไปหมดบนศาลบนเสือที่เรานั่งมันประกอบไปด้วยอะไรก็ไม่รู้ไฟสว่างบนหัวพัดลมหมุนเตี้ยวบนหัว ด, ดูดูเหตุปัจจัยของมันเต็มไปหมดไม่มีอะไรเอกเทศหนึ่งเดียวเหมือนจิตของพระอริยเจ้า ที่เป็นผู้รู้หนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์ไม่มีอยู่บนโลกทั้งสามเนี่ยไม่มีไม่มีสิ่งใดที่เป็นเอกเทศหนึ่งเดียวไม่มีต้นสาวนี่เหละหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่ไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยทลาหลังนี้ดูที่มีลังคามีฝาตู้หน้าต่างมีพื้นมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวมีไหมดูตัวเราดิ ดินน้ำลมไฟเน่ะมีอะไรเป็นหนึ่งเดียวเราดูพัดลมเนี่อยู่เฉยลมพัดได้ไหมถ้ามันไม่มีอย่างอื่นพวกมันมันมีอะไรมาลุ้นหอหมุนเติ้ยวเตีวต้วเต้ยวเีมีกระแสมีพลังงานมีอะไรไปปั่นมนันนั่นนั่นมันไม่ใช่หนึ่งเดียวดูไแลนะ้วไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียวสักอันรูปครูบาอาจารย์ที่เป็นทองเหลืองอยู่เลอนนหนึ่งเดียว เอาไว้ปีร้อยปีพันปีหมื่นปีไปขึ้นสนิมแหละละลายละอ่าเป็นอื่นไปแล้วอะไรอีกเหล็กกล้านะเหล็กกล้ายูเป็นแสนแสนล้านปีมันก็จะต้องกลายรูปไปเป็นอื่นมันจะไม่อยู่เท่าเดิมแต่ามันแข็งมากมันจะเปลี่ยนช้า เรามองไม่เห็นมันเปลี่ยนช้ามันไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนบนพื้นโลกนี่ไม่มีไม่มีสิ่งใดคงที่นี่พุทธิยถกท่านทรงตรัสละเอียดไหมนี่คือความไม่คงที่ความไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งเราดูข้างนอกยิ่งเห็นได้ง่ายดูสนามหญ้าดิดูสวนที่ปลูกไม้อะดู เขาั้งต้นนั้นต้นนี้ออกมด่ะวันสิบวันโผล่ขึ้นมาอีกเต็มไปหมดอเอาออกอีกโล่ขึ้นมาอีกเต็มไปหมดมีอะไรอยู่คงที่มีตรงไหนบ้างมันอยู่คงที่ไม่มีซึ่งวันนี้เห็นดอกไม้ดอก น, นั้นมันโผล่ด อ, อกขึ้นมาโอ้ตูมที่เรกตูมต่อไปจะเริ่มบานบานเสร็จแล้วก็จะเริ่มเหี่ยว ดอกไม้งามๆอยู่ตามแจกันระดูมันคงที่ไหมดอกงามงามเนี้ยดอกงามงามเนี่ยเนี่ยดอกเป็นพวงพวงเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดอกเป็นพวงพวงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ค่อยๆหลุดร่วงทีละดอกทีละดอกทีละดอกทีละดอกอดอกกล้วยไม้เนี่ยค่อยๆหลุดร่วงทีละดอกทีละดอกทีละดอกไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิม ดูเห็นเร็วกว่านั้นอีกดูใจของเรามันอยู่เท่าเดิมไหมอยู่เท่าเดิมไหมอยู่คงเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่คงเดิมสัก อ, อย่างแล้วพิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เกิดประโยชน์อะไรท่านให้ดูมาที่กายเรากายเราจะไม่อยู่เท่าเดิมวันนี้มีเรีย่ยวแรงมีความกระชุ่มกระชวยไม่เจ็บไม่ได้ป่วยอ นาทีข้างหน้าชัว one, าใใ cuando, ่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าเดือนข้างหน้าปีข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วเ <ultan podcast. S 1> ปลี won, <ม>่ยนไปแล้วเปล<ป>ี่ยนไปแล้วเราดูผู้เท่าผู้แก่รุ่นบุกเบิกวันเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยเหลือตองมองแตงแมงไม่กี่ท่านเนี่ยหายไปไหนไม่มีอยู่เท่าเดิมเลหายไปหมดมีอะไรอยู่เท่าเดิมไปอยู่เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไป อยู่เท่าเดิมไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสังขารทุกอย่างทุกเรื่องมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเราพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของมันได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความเบื่อหน่ายคลายจางได้เห็นความขลังวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของธรรมะของพระพุทธเจ้า อ, อยู่โลกกานไหนก็ตาม มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่อื่นไปจากนี้อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ล้วดูที่ดวงอาทิตย์นอยู่เท่าเดิมไหมมันไม่เห็นไม่อยู่เท่าเดิมเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันขึ้นยังลงราชวัลโลกหมุนราชวัดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจะว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่เห็นมีอะไรอยู่เท่าเดิมเสอย่างในตัวมันเองเขาว่ามันโอ้หมันลุกไหมเหมือนไฟในกองไฟเราเห็นอะไรอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีในกองไฟ ในกองดวงอาทิตย์เนี่ยคุมพลังทำให้สัตว์มีชีวิตเกิดเป็นได้อยู่ได้อะไรได้มันไม่อยู่เท่าเดิมนะมันร้อนร้อนจนร้อนกลุ่มกัดอะไรต่ออะไรหมุนไหม้อยู่นั่นอยู่ไปนานอีกเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนไปเพราะมันไม่รู้กี่ร้อยอีกกี่ร้อยปีกี่พันปี มันจะแตกเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงมันจะป็นแน่ใจอะไรดวงจันทร์เนี่ยโลกเนี้ยที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยโลกเป็นแสนนันล้านบนจักรวาลเนี่ยแต่เราไปไม่ได้เราอยู่ได้เฉพาะโลกมนุษย์เนี้ยโลกจันทร์เขาก็ยังไปมาแล้ว เรามองเห็นไม่ใช่มองเห็นเฉยๆเขาขึ้นไปเหยียบบนนั้นได้แล้วมารู้ไปทําบ้านทําซ่วมทําอะไรได้นอนได้ขับได้ถ่ายอยู่บนนั้นก็อาจจะเป็นได้แล้วอยู่ไปรู้อะไรมีโรคอะไรบ้างที่เราถ่ายไปถ่ายมาจะไปอยู่ได้เขาพยายามคนควายอยาเต็มไปหมดบนโลกกระถ่านเนี่ยจะเป็นโลกกระถ่านไหนกระตามอันนี้จังทุกขงัง ไม่มีใครบังคับบัญชาได้อนัตตาพุทธเจ้าก็บังคับบัญชามันได้ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้รรบบไไดพระปัญญาตรัสรู้รู้เห็นเข้าใจตรงนี้เอามาสอนพวกเราให้เรามบื่อหน่ายคลายจางคลี่คลายความทุกข์ออกจากหัวใจของเราอ่าได้ยินได้ฟังไ ป, ไปตั้งใจทำวันนี้ใครจะเนก็ไปนเนนะอ่า วันนี้ใครจะเนก็เป็นเนเนเสร็จแล้วก็กลับรถขับบ้านเลอย่าไปเอาต้นไม้เป็นเบรกก็แล้วกันอ่าวันนี้เอาแค่นี้จบแค่นี้กลับบ้านมีไหมใครบ้างกลับบ้านยกมือหนึ่งหนึ่งสองใครอะ่ะร้านตะอูบอกล้านตะอูดิลูกสาวตะอู ลูกสาวลูกสาวกับหลานหลานที่เป็นหมอน่อยได้ยินว่าหลานเป็นหมอตั้งนานแล้วเราเพิ่งเห็นวันเนี้ยถามเมื่อเช้าอืมอ่าดีแล้วชีวิตหมออาชีพหมอทําบุญง่ายช่วยคนง่ายปวดหัวตัวร้อนมากเาเา็เอานุ่นเอานี้นเอายานั้นเอายานี้ สาปุ๊บหายปั๊ปบใจถึงใจถ้าปรารถนาเอาอาชีพนี้สร้างบารมีอุย้ยไปได้เร็วชีพหมอเนี่ยเพราะอะไรดูแลความทุกข์มันไม่มีใครสักคนอยากเจ็บอยากป่วยหรอกแต่มันหักมันจาเป็นอยู่อย่างนี้แหละเรารักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ารักษาให้หายขาดได้วิชาการวิชาหม อ, อยูกยาก็แก้ขัดได้แค่แก้ขัดได้แค่รูปธรรมพอรูปธรรมสะดวกสบายจิตใจก็ปลอยสะดวกสบายแค่นี้เราก็ถือว่าพอเป็นไปพออยู่ได้อะไรได้ไม่ไม่ให้มันไม่ให้ความเป็นมนุษย์มันทรมานจนเกินไป มีการวิจารณ์วิจัยมีการศึกษาหาความรู้เราดูแต่โรคมันพัฒนานมันเคยมีไหมเดี๋ยวอนั้นโผล่มาเดี๋ยวนี้น<ม>โผล่ม า, ม, ม, ามีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีวิชาการเราก็ต้องไม่เท่าเดิมวิจัยไปเรื่อยวิจารณ์ไปเรื่อยยาก็ต้องหาใส่ใหม่อยู่เรื่อยก็อยู่อย่างนี้แหละ แค่ช่วยบรรเทาให้ความเป็นมนุษย์เราไม่ทรมานมากยิ่งเราได้วิชาพระพุทธเจ้ามาอีกมาฝึกมาศึกษามาอบรมยิ่งเจาะละเอียดลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปที่ใจลึกเข้าไปถึงนา ม, มาธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกเข้าไปที่นามธรรมาวิชาการวิทยาศาสตร์ ก็เจาะได้แค่รูปธรรมกับพลังงานทั้งหลายอย่างอื่นนามาทำเจาะไม่ได้รู้ไม่ได้พระปัญญาตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จับเสือมือเปล่าสร้างบา ร, รมีมามารู้เท่าไาเท่าไหร่พพุทธเจ้าของเราเสียสงไขแสนมหากัรดูสิสร้างบา ร, รมีอุตสาหพยายาม สีอสังขัยแสนมหากรรไอ้พวกเราเนี่ยกลับหนึ่งกรรมหนึ่งพวกเราก็จะตายแล้วกรรมหนึ่งกรรมหนึ่งมรุมเนิ่นนานสักเท่าไหร่แสนมหากรรมกับนับไม่ได้สี่ครั้งบางประเภทนับไม่ได้8ดครั้งบางประเภทนับไม่ได้สิบหกครั้งสิบหกอสังขยแสนมหากับมแปดอสงไขยแสนมหากรรมนั่นคือการเพาะ สร้างเนื้อสร้างตัวของพุท ธ, ธะไม่งั้นไม่งั้นไม่มีบา ร, รมีตรงนี้โผล่ไม่ได้เราดูแต่อาจารย์ของท่านอุทกกระดาบทอารัฎดาบุไม่มีบา ร, รมีตรงนี้แต่จิตสงบมากจิตละเอียดมากทะลุไปไมาได้อาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วยูเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เห็นความทุกข์อยู่ แต่ปล่อยไม่ได้ไม่เห็นอนัตตาปล่อยไม่ได้ยึดอยู่นั่นแหละคอยมีตัวเสพคอยมีตัวเสเวยคือเรียกว่าสุกว่าสุกว่าสุขสุขก ส, ส, สุขในฌานสุขในฌานถ้าไม่มีผู้เสเวยมันจะไปได้อะไรมาสุขก็เรา ย, ยึดอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยรูปปัสมาบาัติอรู ป, ปสมาบัติก็คือระดับของฌาน รมประชานอรมประชานพุทธเจ้าท่านโอ้อะไรก็ยึดไม่ได้อะไรยึดไม่ได้ดจ้ปล่อยหมดอะไรบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นกติของมันอยู่ไม่เท่าเดิมเปลี่ยนไปปลงปล่อยพรปล่อยไปแล้วนี่เป็นไกลเป็นว่าเข้าถึงความสุขบรมสุขประมังสุขังประมังสุขังขอาไปกราบที่นี่ ไปเน่ใครไปเนใครเน่บ้างยกมือหนึ่งถ้าไม่เห็นมีแค่หนึ่งเองเนี่ฮะไหนเนยอีกโอ้เนไม่ใช่ธรรมดานะฮะบางคนไม่เคยโอ้น่ากลัวยิ่งกว่าไปศึกไปสงครามซะอีกคนที่เขาเนได้เขาสนุกจะตายไปเอาเด้อ พระเราก็มีนะอย่าว่ามีแต่ยอมนะพระก็มาบอกเราเนี่ยจากนี้ไปออกพันสาจะเนสลอรเนี่ยมีใครบ้างในครัวจะเนตลอดสู้พระเราได้ไหมนะอา้อาวไปที่นี่